ติูอจ า, าจารย์หรือผตั้งจ้ า, า, งงาสอ น, มนม อ, อนมอต้งจากตายจากใจของพวกเราทั้งหลายาที่เลือกอยู่ในจิตที่กายใจยนี้เรี่นขอตั้งว่าธรรมะที่จะประเฤติปฏิบัติที่แกนาเรื่องกายเรื่องใจเหมือนกันในอย่างนั้น การแสดงถิ่นิตของจิตโลกการแสดบัตใจขตอใจของเราอยากเร่ร่อนเด็กขวงยึดถือเต่าหม้อขุนบัวจนปกติของใจทุกคนไป่ี่มันเด็กสั้งด้วยอำนาจความเห็น การได้ยินึูเหงกืกอสมมและจุดข้งเหนใืใจตามในหนี่ที่พิจารนาหาความจริงจากสิ่งเหล่า น, นั้นจิตใจจึงไปเกี่ยวข้องยึดถือสมมุติต่างๆในทำควา ม, า ม, ามเดือดร้อนต่อหมองให้จากจอวเอง จากนั้นทาาทำคำสั่งสอนผู้เป็นพูะไตเจ้าหรือครูอาจารย์นำมาพิจเรนามาแนะสอนการสั่งละสาสางเรื่อของใจปกติการที่นิพพานเที่ยีกิทข้อยึดถือสมมติต่างๆเรื่อของกายตายเป็นตัวปัดหานสำคัญ พวกเราท่านยึดถือกันว่าเป็นตัวเป็นตปนเป็นเป็นเป็นสัต์เราิให้เจ้าจให้พแจาาหาทางให้จิตดูเห็นตามเป็นจร่งเหวถอนทำยึดถือดังนั้นยึดถือไปล่มหลงยึดถือตามสมมติสองโลก็เพราะไม่มีอัตชัล้วตัวเอง ใเด็กที่ไมพิารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงเชื่อมั่นตามโลกสมมติว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นทางธรรมะจึงมีการที่พายเที่จะรายงานตามตามเป็นจริงของสิ่ ง, งนั้นนั้นให้จิตเห็นงละยอมเนมนึ่งต่างทุกคน ไม่ว่านักบวชหรืระหัดโดยเ่นใหญ่เหนืองไหลไปตามหลวงสมุติรือว่าหญ้งวัยชายว่าหวยวางามวัยดี่ารดีส uh ั <Thank> mm ่งๆนง่เป็นเหตเให้จิตรักจิตชอบเกิดตามราคะตำหนักยินดี ถ้าหากเห็นรูปส่วนนั้นเป็นของผิวผิวเงี้ยผิวในหน้ารับหน้าชอบกอโตเสียในสิ่งหล่านั้นทำให้จิตเดือดร้อนขุ่นเคืองในรูปแบบนั้นนี่เป็นเรื่องสมมติทั้งโลกเมื่อมาที่จการมาส่วนเหล่านั้น ตามเป็นจิทางธรรมะทุกสิ่งทอย่างที่เราเห็นโดยตาพิจารณาเข้าไปภายในน้อมกิ่นนั้นนาคีกายสูใจทั้งตนเป็นโอปะยูโกพิจารณาตยให้ยัดทายเข้าไปทาหลวงไหลทั้งใจว่ากายสวย ปกงดงามนั้นมีเม็ดนอยื้อหนังที่บอกดวงตาของมน็ดที่วันมีอักขมลินห่มถ้าหากขูดยื้อหนังเหล่านั้นออกไปน้ำเหลือง น, น้นเลือดจะเยิ่มออกมาแล้วก็มามีใครตาถนากันเพราะเป็นของปกปบ เป็นขอนหน้าดูในหน้ารักบนบาดแผลนิดหน่อยกเหยกันไม่ชอนี่ควอการจีนท้างใจเขาจะต้องจ้าองเหตุที่แ้ายแยบายเข้าไปกูห้ข้วถึว่าายนี้มีอะไรเป็นของะมีอะไรเป็นของหอมหวน มีอะไรเป็นของที่น่ารักน่ชอบท่เจนมาให้ขวดถุงไมว่าผมบาขนกว่าเล็บกว่าฟันกว่าหนื้เยื่ออินทรีย์เมื่อทีเจาเมื่อตามจริงใจเอาใจจดจ่อให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นใจจะไม่นิ่มหลวใจจะไม่ยึดถือ เปิทางกำหนับเปิทางยินดีเปิดางสมอทั้งโลกเพราะเรื่องของตายทั่วไปสกปรกเรื่องของกายทั่วไปเป็นของตะกีกูมเป็นของวงามอะไรมีการที่จะนากายถูกต้องตามกับเรื่องติพั์ฐานมีพระพุทธเจ้ากรงยังเนว่าเป็นทางลัดําหรับการปฏิบัติ แต่จุตใจไม่เห็นตารเจริงเป็นถึงขัน้นหลุดพ้นในทางอื่นเป็นทางรัฐแต่สมัยปัจจุบันทุกวันหนึ่งควรชอบปฏิบัติทางลัฐกันหา อ, อย่างนั้นได้หน้า อ, อย่างนั้นไดเ้เองแต่ในที่เรียความจริงในใจจะหาทางรัดน่วยจนงผุด นิจิียวของธรรมนี้ในสึ่งทระพระเจ้าทรงบัญญติเอาไว้ก็าจได้ผลไดประโยชน์อะไรเพื่อทังใจให้ยียดเยให้หุน้นให้อดถอนตามขนาดยินดีสั่งๆถ้าหาพิจารณาเรื่องของกายโดยอุบายปัญญามีสิเกิ่อพิจารณาจริงจังเรื่องของายเป็นอย่างไรทราบทบอย่างนั้น หต่ของท้องตายทั่วไปเป็นของสงกปรกโเท่แล้วจะเป็นของประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ธา ด, ดินธาตนนุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะน่ายึดถือไม่มีอะไรที่จะหน่าจิตใจแล้วมีอะไรที่จะน่าหลงไหลความจริงท้องตายเข้าเป็นอย่างไรเมื่อที่เจน่ะ ไขยใจคาดเกือนจยิบกอดถอบถอนเราเกี่ยวข้องเรายึดมั่นมราผิวว่าเราว่าเขาเขาใจตามเป็นจริงนี่ทางสติบัตทางสวาจัดความลุ่มหลวงของใจในอย่างนั้นความลุ่มหลงก็จะลุ่มหลงเรืยไปหมือนหยุดสวยก็จะจยุดข้องเกิดามรักความชอบ ในหัวนน่ะโจกปทางสิ่ตามเรื่องของใจใจในเห็นตามเป็นจริงในมืเหมือนนั้นผาิเนาเไปเวทธรรมด้ในเวทเอาใจจริงเขาฝนที่ทิกนาปฏิปัญญาสืบสอบหงเห็นตามเป็นจริงแล้ว ลอเาเ่วาลามออย่างไรจะทุกอืนอย่างไรเป็ของุดของทุกอย่างไรที่มีลูกกนมาจะเข้าใจาของเราเอย่างไรลูกของสัตอื่นเนอื่นเป็นอย่างนั้นเมื่อในหลงตัวก็ในหลงคนอื่นมีความสุขความสบายเขาสุดใหลวง ในเรื่อของกายกายจึงเป็นคืตตั้งสำคัญจุดนักปฏิบัติทุกท่านจะในโลกในควรมมองข้างความทิกข์จรณะเรู้ให้เห็นตามควาจริงของมันถาดทางสือไม่ว่าผาานดินผาานน้ำผ่านะาลมผาดไฟอยู่ภายนอกเป็นอย่างไรภายในก็เป็นอย่างนั้นเขอไม่รู้สึกรักให้จิตใจไม่รู้สึก อะไรทั <t> ้งหมดยินเราจะขุดจากฝนจากฟ้กจากฟันจากตั้งเปูนวัตถุอะไรยินไม่เคยดีใจเสียใจเราจะเผาหรือจะเอาน้ำไปลบยินตัวไม่เคยดีใจเสียใจกับใครทำไมชาดของยินชาบินจริงๆเป็นอย่างนั้นชาดขันทั้งพวกเราท่าน คือเป็นยิ้มของเมืองกันอาสายจิตที่ลมลืดหลงยึดถือเท่านั้นจยิ้มเนชิดเป็นไทยชุดถ้ า, าหากมเห็นตามเป็นจริงว่ายินมันเป็นอย่างนั้นใจในเมาต์คอยยึดมั่นถือมั่นในส่วนเหล่านั้นก็่ามนุษย์ที่มองเห็นกันก็่าธาตุยิ้มธาตุน้ำไม่ใช่ธาตุอื่นลมไฟเป็นธาตุละเอียด จริงๆนองอยู่ในตายอันนี้ถ้าหากไม่ได้ไปเกี่ยวข้องสัมผัสอย่างากดเึ็นแล้วมีไฟมีความอุดมลมนกว่เห็นกตเสียงมันออกมันเข้าไอ้โม่เวลาหายใจถอนนั้นกเราเปล่งกันว่าเป็นจริงๆเปนชายจริงๆใช้จริงๆงานจริงๆท่านยึกถือทั้งโลกสองสมุท มันั่งแง่งอยู่ในใจยิ่งปดความกำลังยินดีปวดความเพลิดเพลินปวดความเสียใจในหนึ่งจึงนั้นนั้นเป็นไปตามความมุ่งหวังของตัวปวดทุกข์แผดเขาแทนเรียกว่าสมุทยมุทัยที่จะทาใจของคนที่ยึดถือหลงไหลติดข้องให้ปวดทุกเมื่อเราที่จะมาตาม สภาพของมันตามเป็นจริงของมันธาตขันอันนี้มีถาดอะไรก็แยกแยะออกที่จะเรนาเรู้ไะจากธาทเกลนตามเป็นจริงยุดกดท้ายกําหนะท้ายความยินดีท้ายความย็ดถือและเบาสบา ย, ย า, ายมีฐานที่ใดก็มีความสุกตามสมควรแก่ yeah. เ่องของจิตเขาเมตติดเมตติถือเห่อนการท่นี้ที่เการปฏิบัติของนักปฏิบัติทางรับในทาอุ่นคือเตวิติสัญญาเป็นทางลับสติตับฐานเป็นที่ทตั้งของสติมแ เป็นทางสติบัีบักกำจัดที่เหนื่อพระทุทธเจ้ามีพยายามยึดเสด็จสั่งมนุษย์มธรรมดาสามารถทุกอย่างในทางสธิบัตบัเป็นเป็นาจาสธดาการอื่นของโลกถอนทางมนุษยธรเทวดาไดรับมักผลมาเป็นจำนวนม า, มาก ทางัดหรือทางอื่นนอกจาก็นนีใช่ที่อื่นอีกเหมั่งกันความีอยู่ในกายใจของผวกเราท่านสามมาทุกขี่สามมาสังกัดโตความเห็นชอบไม่รีชอบมันมีอยู่ที่ไหนอะไรไปเห็นชอบไปดนดิชอบนอกจากใจของคนเห็นชอบเห็นอย่างไรที่เห็นในวิปปิ แต่จากธรรมดามันเป็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นได้ชื่อว่าเห็นชในหลวงไหลเห็นเป็นทีส่วของทุกส่นทุกส่วนรดูุูเข้าไปทุกทายในดูเข้าไปทุกส่วนทุกส่วนทุกส่วน ตัวเห็นทออตือเห็นทุกข์ทุกขอก็คือความไม่สบายของกายของใจกายใจที่ไม่สบายเพราะอะไรที่จะมาสูบสอบหาตนเหตุที่จะเดทำใหสบายขึ้นอยู่าับชุมชนไทยอยู่ัญหาทั้งสา กจยใจที่จะไม่สบายยังแยกยังไม่ออกกเพราะอำนาจเกลียดวิลขัดตัญหาความอยากของใจทํำให้ปวดทุกข์คามมั่หาความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในอารมณ์ทารูบดูนู สวยนุ่มผิวขี้หนียวชอบก็ทําให้อยากให้จิตคล่องเลือตามมาตันหาตามที่จะที่เรียกว่าสามมาทิกฐิที่จะแก่ตามมาจันหาเพื่อที่จะนาตามความเป็นจริง่ถึงจุดที่สุด ข, ของธาตุตรงนั้นหนุ่มตามเป็นจริงกระหอบของความจิตคล่อง ความยึดถืของใจของตามไม่พิโรดออกจากใจได้ใจะไม่ทุกข์เพราะความรักความชอบเวาอยู่ระดวกสบายบก่สมาธิถึความเห็นชอบเห็นว่าทาดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทาบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปเราจะเห็นชอบเรื้องหนึ่งถึงจนนอก ออกไปจากเรื่องภายนอกเห็นชอบเงื่นจะถอดถอนกิเลสคือเห็นเรื่องภายในเข้าใจตามเป็นจริงแต่ทุกเกิดขึ้นเพราะสมุทัยดูใจไปยึดถือไปจิกข้อหนึ่งเป็นเรื่อมมาทุกฐิคือการเห็นชอบในจิตในใจ มัเป็นอย่างไรเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นไม่มีตามยึดมั่นผูกพันในสิ่งต่างๆ่อยวางสิ่งท้งหมดไม่ตามความเป็นจริงเห็นชอบในวิปปิลดัมบิชอบกอดดัมบิหาทางออก หยุดจุดจุด่องในอดในเสียงที่เราจะนาหาทางออกจากความจุดของท้องใจในร่างิอยู่ทำมันเสมอทนจังหวะเนื้อธรมะสังกับโตเพื่อร่างดิออกในร่างดิ์เข้าในร่างดิ์ติดโอเคจุด ที like ín ín. Well. ่มิพิจาราตามเป็นจริงแั้ิหาทางจะออกจะแก่จะใช้จิตใจทั้งตัวให้หายจากความเม่าเมาเศร้าหมองความผิดของต่างๆแล้วิออกจากภัยบาปอาฆาตจองเวรเพราะจิตผิดจุตซึงดุแต่อย่างนั้นทำให้ตัวด่วร้อน แผบเขากวดทุกบ <Panther S 2> ังล so ุในใจในเบียดเบียนคนอื <ities> ่นส er ัตอ <photos> ื่นนี่ยกว่าหนกสัมมาสังกัปโต้สัมมาสังกัปโตไม่ได้รู้ออกอม่ได้รู้แต่เท่ยใจแต่ใจี่ยอื่นูมัดผ มีอยู่ในตายในใจทาดีทั่วสังสารเรากอนมาจากที่อื่นปวดขึ้นจากตัวของเรามีกายม่ใจทางนั้ น, นะทีะ่ว่าสัมมาที่ฐิสก็มาสังกัปโตเป็นตัวปัญญาเป็นหัวหน้าของมักถ้ามีปัญญากวาสา ม, มารถที่จะทำอะไรแห่สงเร็จได้ตามําจากธนา ถ้าหาปัญญาไม่ได้จะทำอะไรก็เหมือนเป็นไปจะทำก็หม่รู่ดวยงงตอนนั้นพระพุทธเจ้าจึงยกปัญญานำหน้าอย่างท่องมักแที่นี้พรเจ้าน่ะเอ้เกิดก่อจิให้ตกวดปัญญาให้เห็นชอบตามเป็นจริงามาว่าจะกล่าวชอบเวลาจาชอบว่าจะข่มยู่โดตัวอีก เราจะมีอยู่ที่อื่นตายอย่างไรตาวช่อตาวที่กันซีมงคล่าวที่มีโหดมีผลยังฟูรสดับลักฟังเทรับประโยชน์จากการระดับรับฟังนั้นจะเป็นตาวอ่อนหวานหรือจะตาวหยาบชายแอลต่างแต่าวมีโหดมีผล ดาวด้วยความจริงใจถ้าพูดถึงโลกก็ผู้อาจาศึกษ์ในดาวเทตดในดาวโคตรในดาวสว่างในาวอยากพาสังสรชืเรียกว่าว่าจีผู้ศึกษ์แต่ผู้ปฏิบัติ อัดทำทางสายขนาผู้จะละจะถอนกาวาจะชอบหมายาถึงชอบภายในผมกาวสอนใจทั้งตัวเพื่อจะให้มีสติปัญญาให้มีคําเชียวสิ่นเอาตัวสน เราจะกล่าวคำบริกรรมทำสติให้อยู่กับวาจานั่นน้นไม่เหตจิตฟูงสูงไปในที่อื่นกเราเชื่อวาจ้าชอบทำจิตให้ยินให้แน่วให้หยุดในการเปลี่แปลงต่างๆกล่าวสอนใจทั้งตัว ให้หยุดให้อยูให้พักเห้ผ่อนสามาจัมนโตการงานชอบคหมายคือการงานที่บรกบวดเดือนคนอื่ตากอื่เป็นการงานที่เป็นพูดทึงนอกทางโลกพูดทึ้งนอกทางทําทางผู้ประกอบกปฏิบัต การงานชอบปกยูเดินจงกรมภาวนาชำระจิตใจทั้งตัวควนจิตติดตามถอบไล่สายต่งยิ้เหวี่ยงตดจิตยึดมั่นสำคัญหมายสั่งทำดีทุกการทุกเวลาในตารชำระทั่วบำเพ็ญดีหนุนเชื่อใจงานชอบของผู้ปกครอทประพฤติบัต เ่อเห็นคนยิ่ง่มันตกอย่างไรมันหลุดไปอย่างไรเหตุผลเกิดขึ้นกับใจต้องกลัวอย่างไรเข้าใจในการที่นี้่เจมาในการส้างหนุรักษาในการงานชอสมมากะมตของู้คนท่ปฏิบัติมมาอคิโยชิบุโอคฮะ อัดหาธรรมมาแนะนำสอนใจตัวให้จิตฟื้น อ, อ, อยู่ในขอบเขตของอัดธรรมมีสติมีปัญญารักษาอยู่ทุกการทุกเวลาใจม่ได็กตีจิตฟเรื่องโน้ตใจก็มีความเหยียดความเยน เวามเงาเงงาเงตามเงเห็นตามเป็นจริงได้เงใจทั้งตัวให้ท้อให้สบายจิตจึงไปในเนี่ยอาภิษฎทำคิหาทางแนะสอนปลดปล่อยเงื่นไขจิของ้งใจเงใจทั้งตัว มเหตุทั่วมเหตุเสียไปในอารมณ์สัญญาต่างๆนี่มีเยื่อขีชอบภายในคือมีสต honestly, all. All? Strong, ิปัญญาสอนใจรักษาใจให้ใจโดยดูนอัดทำความจริงใจจะมีกำลังสัมมาวายาโมเยี่ยงชอบพอใจอี คว้ไปเพียงเงอยางและจตายรายจาทาตามเหื่อของใจเพยงในที่ที่ะถานอย่างสำหรับตันดาสาวไว้ยังระวังความชั่วม่ให้เข้ามาเ่ยวข้องตายรายจาใจของตัวเพียงกจัดความชั่วที่มีอยู่แล้วใหกปลดไปหมดไปหดุหดไป ว่ายินดีเก็บรักษาเอาไว้ความทั่วต่างๆเยนยังคาดีประจุปัญญาวิชาดีมุกให้เกิดขุ้นเมื่อเหินเลผนได้เยนรักษาอย่าให้สิ่งเหล่านั้นหลุดหายตกหล่นไปนี่เลยว่าสัมมาวายาโมเยนเอ้เป็นมะเป็นทางรัดที่จะปฏิบัติตัวข้างตัว ให้รู้เห็นเด่นชัดสามาถุตั้งถุต่อท่านก็เปล่าอะไรในกำหนดถิติไว้ในถติตัฐานทั้งสี่มีควใช่ที่อื่นที่ใกล้ถติตัฐานทั้งสี่กายานิจฉนาถติตัปฐานเพ่การกำหนดการอย่างที่อธิบายมาทจราให้แยกทางกาหนด อยู่ท hmm! ุกอยู่ทุกวันทุกเวลากำดให้นเหตามตปนจริงอย่าไปเอาเรื่องของเมากดแสงใจว่ามันีอย่างนั้นมันสวยอย่างนี้เหตุเช่นอะไรเหวินทายเหวตามเปนจรงเรายังมายเหวินเกดนอุกขะะปฏิภาณภายในก็ให้อานุา ในเรื่องของหัวใจมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ดูง่าๆกคอยน่อองในนี้อะไรที่จะนาังยิดีในนี้อะไรที่จะสวยงามคอยจะจิตใจลุ่มหลงในเวลาที่เราเหนเรไปได้ก็เพราะมองน ตกลนออกมาทางนอกเราต้าหมเงินไม่นนได้แตลายของตัวเปิดดีกเหวี่งไปเขาเท่ากปอกฟันหน ล, ลุดออกจากตาก็าาเหมือนกันเงิ น, น, นตนนาง่าคิดว่าฟันอย่างนั้นฟันแผ ล, ลอย่ า, างนาี้ก็หลุดหล่นออกมาก็น่นาเกลยดทักงจีนตอหนในเรืของอ ทุกสิ่งทุกอย่างในกายพอที่เจริญนาได้ม่ว่าตัแต่ของในกายของนอกตายทางเอามือห่อหุบเหยื่อ้งตายใยังมีเน่ามีเหม็นมีปฏิกูนขึ้นเหยื่อาดอาสนะต่างๆอยู่แล้วนั่งแล้วนอนอยูด้ว่าตายเป็นตัวจาป๊กมากพอที่เจริญนาเหยื่อท้องตายเหยื่อขาดตามจริง จพิจารณาในเรื Đây, ù, th ่องของปฏิปุในเ่งอสุภะจะิารเรื่องของาพิจารณา่าอบามาว่าาีมาเตายคือดินน้ไฟนมธาตเหล่านั้นความจริงของมันไม่มีอะไรจาุ่มหลงืเขาเอ่เคเทนุ่มหลงกับใ ม่ใจใจเพื่อนุ่งหลงกับเขาแต่ิเนาเห็น่เห็นเป็นภาจริงๆใจใจพิเจนาภาเรื่อง่องกายเป็นอย่างไรพิเจนาใย้ญยติชายเข้าไปให้ถึงความจริงของมันใจจะมีความสงบใจจะมีความหยั่งยันใจจะรู้สึกเอเนา กานั้นท่างกายทั้งตัวเอทั้งใาทั้งคนอีกั่อยัสม่ำเสมอในน่มดอนไม่รักไม่ชอบเอยู่สะดวกสบายมีสติที่เจริกายที่เจริาเวทนาความเจ็บปวดทุกทุกต่างมีอยู่ในกายในใจเราเห็นตามเป็นจริงอีก คามเจ็บปวดเหล่าน ch ี v v à, ้เป็นเรื่องของใจไม่เป็นเรื่องของใจคำว่าเวทนามันเป็นองแขงอยู่ในใจในใจรู้เป็นเดมาจากกายจากใจจริงที่เวนจนู้เห็นตามนเกี่ยว่าเวทนาแต่กว่าเวทนาเป็นขาดอันหนึ่งซ่งเกิดจรจากกายจากใจแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของกายของใจผู้ืตายไป ไม่มีเวทานาจิตออกจากกายไปแล้วไม่มีเวทนาย่งเวทนาทีาาาาทาา่มีอยู่ในกายกับจิตนี้เป็นอย่างไรผึงมีสติมีปัญญามีจิตละเอียดรูเห็นตามเป็นจริงเพราะเวทานาเป็นามไม่ธรรมแสดงออกให้รู้ให้เห็นปัญญาเป็นานามวัฏฏธรรมสามารถที่จะเท่า ยืดหยุนกันได้ถึงกันได้ในการที่เจรณา่ยดของเวทนาพาที่เจรณาได้หยาบพลายเท่าไรใจก็เลยมีการตืงเส้นเมืวดติดทกข์ต่างๆขึ้นมาจะเคยกลายเป็นหยดของเวทนาจะกลายเป็นหยดของจิขอกายดังนั้นจต่ตกจะตายก็ไม่ใช่อันอื่น เือเาคิดวาทุกงานควรอย่างนั้นอย่างนี้บางนอย่างท่อเยวน่าผู้ที่เดินตาเป็นอย่างไรใครใจอุ่หนูเคยจิตละเอียดจิตยืห็นจิตใครท่จิตจริงจจิตยื้เห็นจิจริงจเป็นอย่างนั้นกรณียึดมั่นจิตช่องในเรืองช่องกายทองเทีนาจงจิตจงังใส หลังฐานไกลหลังต่อเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งนักปฏิบัติจะพิราเครูเห็นตามจริงว่าพระเจ้าิดพระพุทธลัวไมเคยกลไม่เคยกลไม่เคยักเป็อารมณอันนงซึ่แงอยู่ในใจ ในเขตความบริสุทธิคามบริสุทธเป็นอย่างเรจะใ้ใจอีกนู่ทืผู้ปฏิบัตินี่เห็นตามเป็นจริงจ้านี่แจ้าในเหท้จิตจิตทางใดจิตตาในปัจมันตาจิตอะรใส่เหงือทงจุตจิตบริสุทธิ์เปนแสงอยู่เราตายในจิน จิบวิสุดมันจริงลาได้ถอนได้ทำปกคือกุโขนทำเอาปู่โขนทำจิตมันฟุ้งมันิมันมีอยู่ในตายในจิตของทุกคนปกติเขาไปเจาะจิ้มิจฉาเนจรงเอาปัญญาเาเข้าควรคู่อกจิดจะมีวันเวลาสงบลังอับ ความควาความยึดถือต่างๆวกว่าสามมาสติตัวอสติขวหนีคิดที่จรายงานกายจิตอยู่สเสมอสามมาสมาคิดความต่างหนังของใจความต่างใจชอบก็คือชอบในอดในธรรม ชอบในเหี้ยตัผลตามหลักแน่นทังใจอยู่ในเหี้ยในผลตามเป็นจริงไม่หวานไหวว่าแวกเหมือนจิตที่ยังในหัวสุดหัดดัดตัวตอนั้นถ้าผู้ใจใาชื่สอนพวกเราผู้คนนักปฏิบัติให้ฝึกหัดอบรมไปต่อไปหาที่อื่นทางรัดไปอยู่ที่อื่น หน้าที่อของเราจะที่ไม่พิจายณาอย่างไราพิจารณาไปเหมือนกังกับทานอาหารจะไปทานรัฐไมเ่เคยมีนะเราทานมานานแล้วมไม่ต้วงทนดยไปยจะไปทานรัเอาเกอทาีทเดียวหรือทานทำเดีวยวดรือดื่มน้าเอาเลยนีน่เป็นทางรัฐในบ้านอ่นน้ำส้าําลนไหมมันมีกาลังไหมชอบไหมทางรักแบบนห้ไม่ชอบ ถ้าใน่อบก็ต้องทานอยู่ยไปหน้าที่ของใจมันจิดท่องอะไรมันก็จะต้องเสวท์หยถ่วงนั้นความความเย็นนันวันหนึรู้มันเห็นกับทุจรณะเห้มันรู้มันเห็นมันเป็นมันกใช่แต่รับไปที่เดียวดังไมอื่มก็จะไปดุนนะหมอให้มันอิ่มมันเป็นไปไหนบ้างมีการทุจระ หนึ่้องถิ่นจทั้งนองวัวกันทางลัดไม่มีทางอื่นนอกจากมัดแต่นอกจากจฏมีหลักฐานที่อพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ตัวใดแต่ที่ประจีบตั้งหน้าต่างๆพิจารณาจริงจังหนึ่เป็นทางลัดคนนั้นจะมีความสงบสงบจะมีการละการถอนการปล่อยการวางจากที่มีปัญหาต่างๆมีอเห็นเดินขึ้น จะเจอตอนจิตใจของเราเจอค่องสิตอย่างไรเมื่อที่เจอเนอทำคำสอนเขาพูดได้เจ้าใจเป็นจริงแล้วรูปเสียงมีอยู่ในโลกในขาดจากโลกแต่เราก็ไม่สิตในรูปเสียงเหล่านั้นก็เสนยง้อยจับพัดเย็นในตัวอยู่เพื่อการละได้ถอนได้ อะยังไม่ได้ทอนยังไม่ได้ที่ยังรไปเป็นจิตมันพอเมื่อใดมันจกทายความยึดถือจะลเบียงไปเองอารมณสั้ญางาของที่จะมพอของมันเป็นอย่างนั้นยังไม่พออยากจะให้มันพอยังไม่เต็มเนี่ยไม่เห็นไม่อยากจะให้มันเห็นอยากจะเดินแต่ทางลัมันเต็มไปหมด้ เจรณาตายที่เจรณาใจเป็นเรื่องของทางลับผ้พระพุทธเจ้าเคยปฏิบัติมาไม่มีทางอื่นจะรับยิ่งกว่าการที่เจรณานัแตริ่มปฏิบัติเราทุกคนมุ่งมั่นมาปฏิบัติเจรณาเล่นมาเทนเราดูส ถ, ถานที่มาทัศนวิจารณ์ให้รู้เรื่ง จะทบเพ็ญกำหนดจิตใจทั้งตนให้เปนสมาธิให้มีควาตั้งมั่นมีความสงบสงบทมีความปล่อยวางมีความเบาสบายของใจในอย่างนั้นก็เรว่านักปฏิบัตินนักพัฒนาจารย์ในเชื้ ที่นันก็เคยไปที่นันก็เคยเห็นค <c oughs> ือองค์นั้นอาจารย์องค์นั้นเคยไปศึกษาแล้วจิตใจทั้งตัวเป็นอย่างเราเราคำนึงคำนวณเหมา อ, อ้างยิงก็อ้างแลต่คืออาจารย์ที่ทำดีทำดแต่เราจะเหม่รูนน้ไม่เหี้ยมในเป็นอะไรตัวตั้ตัวของเราอยู่หย่งนั้นเจ้าต่างหน้า่างศึกษาต่างหน้าต่างตาปฏิบัติตตปฏิบัติทั้งทาง มันเป็นท้าท่านสมบัอิทังเรายิ่งจะเป็นทั้งเราความู้ความเห็นคือท่านแม่สอนหรือตำลักตำมาที่บ่งบอกเอาไว้มันเป็นสมบัติทังท่านเือเราเปิดู้แะเข้าใจ้ดยังญาว่าจิตใจทองเราได้ไม่ปวดตัณหาได้ไม่ปวดยิ่งทางในตัวเมื่อเราไปพิจารณาปฏิบัต เห็นเป็นขึ้นของเก่ากัประทับใจเอีกมันทับเปลนจากขึ้นูปของเก่านั่นแหือเหวนสมบัติของเรามันประทับขึ้นอีกตารการถอนการยึดกาถือใช้ก็เรียนได้ศึกษาได้ง่ายแต่มันเป็นของผูู้ ทำมาบังแดเอาไว้ทำสอนเอาไว้ในตจสมบัติของใจเราถ้าเป็นสมบัติของใจเรามันเลเป็นอย่างนั้นมนเลยว่าจะได้จะเห็นมันยากมันลำบากนเล่นเหมือนกันแต่รู้เห็นแล้วจิตใจมันยินงแย่แย่นใส่จิตใจมันมีจหิใจ เพาเราได้สมบัติจากการปฏิบัติั้งตัวถึงใดเราจะมีคุณค่าเหมนการศึกษาึกษาได้มากเท่าไรคุณค่าเ่มีบางทีมีปัญหายังสทางลาอยู่การปฏิบัติปฏิบัติทำาจิตใจจุสงบงยใจวนจตต่างออกจากตัวยังนิดหน่อยหน่อย ผมรู้สึกว่า ม, ามีความสุขความสบายมากพอมันเป็นมันเห็นการสัมผัสจากอาถรรพ์จริงจังของดีหาย่ายอความวันนี้เดือนนี้ไม่ได้แต่พยายามทำไปไม่ได้มีคุณค่ามากของาบบดีที่มัน สะสมมันเงินทุกอยู่ตามมันมีอยู่ทุกคนทุกตัวัลังเลมาอยู่ทุกวันทุกเวลาขาไม่มีคุณค่าห้งแต่มันนสัดประโยชน์ครับซยสนเป็นงดีมีคุณค่าถึงจะอยู่เลเขาเลหิ้วาห้งแข่งพนาหนื่อยเายังไป ก็เห็นว่าคุณค่ามันมากในการทความผาความเปี่ยนทางใจของมนุษย์้ น, นถึงจะน ไ, ได้ เ, เห็นาวารทำมุ่งมั า, านต่อฐานของคนผมพยายามจะทาบำเท็อยู่นั้นในรันใดวันหนึ่งจะเ ก, กิดเห็นเป็นได้ในอย่างนั้นธรรมะเป็นโลกะมีใครที่จะไปพิบาติกันพิจากัน ทีน้ที ena, ่เาศึกษาตั้งหน้าตั้งากำดตามอัธยกรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามรคนอยู่ที่ใบกอจะาโคขึ้นาใจทองสุส่อไปหาดูที่อื่นนับเป็นของสี่สเอาได้ผลจะากครขึ้นเมื่อใดนังเป็นเหนือทของผล อให้เรื่องความผาดคามเคลื่อนประเภปฏิบัติรักษาจิตรักษาใจได้ขอดเขตของอัตชักคนนั้นในรันใกว่าวันหนึ่งจะถึงแดนผลุกโดยเด่ยวสองสงสัยถ้าเดินทางสายเดียวกันกับพระพุทธเจ้ากับครูอาจารย์ที้แผ่นประเภทปฏิบัติมาก่อนบนทาง เป็นอย่างไรป m ายทางยืนยันไปถึงเราก็เดินตามเส้นสายอันเดียวกันเรจะเห็นจะเป็นอย่างนั้นขอพยยามเดินอย่ยไปพักอย่าไปิดเเปนอตดอยู่ปัญญาอย่าไปติดตามอารมณ์ของชีวิตปัญหาอย่าไปเฉลี่ในสิ่งที่อูอ จิตใจใหัวมมาเพื่อเท่นต่างๆไอยาบังคับจิตจิตตามอัดทำจิตพาเหว่ยงท้องใจเฮ้อยากพายเข้ า, า, า, าไปหัวใจจะเห็นตามตป็นจริงได้หู่ทางควาจิตความใจจะรับความสงบความสงบทางปฏิบัติมันเปทางอื่นจะรับไปที่ไหน รับไปเถอะถ้าหากไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความเพียมรับไปขนาดไหนก็ไม่ถูกจุดให้ถูกหมตัวบอกเ่องมาตายไปเสียป่ะถ้าหากตั้งใจกำหนดอยูาตายเลยจิตที่นิพพานาจะขอบเขตท้องธรร งนั้นแหละถึงไปถึงจิตอ่สุดยู่มุดก็มีวความเบาความสบา ย, า ย, ยาใจตามระยะจิตใจเืือนที่มีสติมีปัญญาเกิดขึ้นเห็นผลในการประบัติปฏิบัติของตนเชื่อมั่นเนใจอยากจะทำมรรคผเพราออนุสง เราเห็นเด่นในใจอยู่